อย่างพวกอยนางแต่ละอยนาอะไรต่ออะไรย้อนทำกันสมัยนี้ก็ยังเสียวสมัยหลังนะลอกจุดแข่งกันพระในวัดกต่างคนต่างทำแล้วก็แข่งเอารางวัลกันคยเห็นของใครมันจะได้ โดยกา ในสังกับวมหาิกาวัดธรรมฤทธิ์วัดในป่าของพี่นี่วัดท่านเองก็บอกเย่าให้เขาฟังในอีกอย่างก็เสียไม่เกิดประโยชน์อะไรข้าวกำลังข้าวมาด้วยชาไม่ก็มาเกิดประโยชน์อะไรอก็ลัช่วแต่ใครจะไมเชื่อ ทำเองไปทุบเอ่เปลือกพร้าวแล้วมาผสมกับเครื่องหอมหอมพันกัน ไอ้เอห่เสียงกรองเสียงกองเสียงผเสยงะเลยเกิหนอ่างนีมกิทางเราค่อยทำอย่างเดิมหรือเปล่าเด้วเหกะทัางเออโคมไฟแต่ทางราชการห้ามนะเกิดขึ้ไปหรื นั่นคืมัน้ตต ไปคิดกันสังเกตดูล้วทำบ่งไฟทำ ซึงจะหยุดตุ่มเนต่างๆแต่หากจุดเวลานันมุ่ดหุดดูน้องคิดหยุดเดินจงกรมหยุดทำประโยชนที่จะเกิดขึ้นได้เม่ันจะเกิดประโยชน์อะไรหุดเล่นุดเพลนบางทีก็อาจจะโดนคนอื่นเปวดถึงตายแนี้แต่เขาจะถือว่าเป็นการดีชาเป็นการหนึ่ง ก็จะมีสิ่งเหลืคิดต่างที่จมาคนนั้นภาธรรมคนนี้ว่าภาธรรมคนนีว่าสมบูรณ์กบุคนเรามัเสื่อมรหดับตำราเสื่อมับผู้ใหญ่บราณผู้ีหญ่ทางมาก่อนกันเรึ่งมุดถึงผลถึงประยช เป็นทางนั้นกันสาหรับต่ามก็นาคนเขียนเผื่อความสนุกในเขียนงเผื่อเสียเผื่ออะไรอย่างสาหรับต่างานที่เขียนเอาไว้ทำเป็นคนเดียวก็ได้ยินแต่เพียงคนเดียวเนื้ายจากมนุษย์ไเกิดเ็นเผื่อปรทย์ดาื่อย่างนี้บริษัทบริวารนั่งโคมอยนอยู่นปราสาทเนื้สนุกสนาน่ะน ทำอะไรก่อต้องบอกเขาปวดข่วนฟุ้งเน่เขารู้เพราได้อนาวชนาแล้วก็เี่ยตายไปสวรรคันทาตัวอย่างนี้วัดิศบรวานจำนวนหน้าอย่างนั้นอย่างนี้มีเคยอ่านเคยเห็นเหมือนกันในตำราคนก็เลยทีเดียวแบบนั้นพรคนชอบสนุกอยู่แล้วแต่ตั้งใจทำดีเนีต้องบอกเ่า ไปแต่ตามลรามีศรัท่าทาไปตามฟังถือต่องตามเหยตามฝนตามอัดตามธรรมโมท่สัตย์บริบามันเกิดขึ้นมีขึ้นอย่ดีเพื่อใจสาวของเราดี่ะทำบุญพิธพาในสมัยสี่อสารเป็นโพธิสัตว์เหยียดเช่นดอนอย่างดีท่านจะมาบอกเล่ากับใครจนสา้สน สฟ้าตลอดถึงพรามบิดามนดาไม่พอพระไทยมีใครยินดีเหล่อมไส่เก็บเอาไว้ก่อนจะถูกจะเกิดชาล่มโจมเพราะอะไรไม่ทานไยหมดมีจนมาขอนะอยากได้แต่ใจให้ทานทั้งนั้นเ็นคนมาขอทานต้องการของจากท่าน ท่านยินดีเหลือนไสเือนเห็นคุ้มรัพย์บทีองท่างเปิดอยู่แต่เวลาว่ามีคนมาขอันอยากได้อะไรก็จะยอมให้ทนนั้นนี่เจืองพเนจรของท่านตาข้งท่านมีคนมาขออก็ยังจะควับให้เหืองหาชัยของท่านเหมือนกันแต่ยินดี ในการให้ทานมหาสาลสิ่งมีใครเสมอเหนือนท่านในการให้ทานเห็นไหชาวบ้านไฟฟ้าประชากรทั่วไปยังขับไล่ขืนเอาไว้ในเมือบ้านในเมืองในเป็นพระราชายังนี่ก็เขาขออะไรก็ให้ด้วยเหมือนกันตรงนี้อะไรที่จะเลี้ยรอประเทศชาติ อะนี้เจ้าบรรดาที่มีตั้งแต่ยืนยิ้นใจมีเรียกข้อเจ้าด้านไฟฟ้าสจ้าเนเขาในยืนยิใน่นใจท่านจที่ว่าสร้างต่อไปก็จะได้สร้างศีลารมณีฐานา้มณีป็นต่างนพอสมวรแล้วใหเข้าปากก็ตนี้ไปมีใคร ที่จะมีศรัทธาเลี่ยงสายมีใครที่อยากจะเป็นบริษัทบริวารยินดีเต็มใจกับท่านที่ทาแต่เมื่อท่านสิ้นพระชนจะเลิดจงดอนสวรรค์นภศึกจึงจะสาสัถ้าเราก็ตายแล้วก็เกิดเป็นท่าวฤทิกในสวรรค์บริษัทบริวางก็มาก เปลายล้านนึงหลาละแสนหลาลายกู๋กูถ้ารงสิท่านมาเลยบอกเราใครทำไปโดยความอิจฉาของเขาทำไมวัดดิสริวิรานจึงมีมามาหลายหลวงอย่างนั้นจากนั้นมาเกิดเป็นยุทธะกุมาห์รอวัสดริรานตรงนี้ตรงีะองไหน ในประวัติศาสตร์ที่มีนักสมุนถึงหหมู่นเนาะที่ประกามาเวลาออกบวชเลบริสัทธ์บริวารุตบบริสัทไม่ว่าภิกษุภิกุนีว่าสอุบาจิกาตรแนนนัดจะเด็กจิไหนชเถอเื่อสกฐาเนี่ยคือความดีอต่ไม่โกที่เจ้านาแต่นาะ เห็นว่าทางมีมหาลับกบนันมีอะไรพักจิตใจของคนเสมาเกี่ยวข้องตายไ้จะไ้อยู่ราสาคนเดียวม่มีพระหัวเปลี่ยนสูงว่าเลยในสมุขขณะมันคิดแบบนั้นเพราะสิ่งมคิดแบบนั้นทำแบบนั้นทำแล้วก็มี กอเหย่อยตาตื่นนะฮะเราขอควบงานผูกคนผูวไปเหนื่อยเลยกินกันเลยเล่นเดาเลินกันมันก็ทือว่าเนเรื่องสนุกก็เลยทากันมาเป็นประเด็นอยู่ใช่เนี้ยกว่าจะมีคนอื่นที่เขททำด้วยความบริสุทธิ์ใจเขามีอะไรเขาบอกไปให้ถลายอย่างเะียกสีได้ของเขา ตำอหน่งว่าแคบบอกถ้ากดสข็งฟูนทำงด้นานไหนนี้ความสนิสนานอะไรถ้าไปทำหนีกไปทำงานนั้นนักเล่นนะักเลิญฐานนักบุญนักกุศลจริงๆวงกว่าจนแบบนั <c oughs> ้นทำไปตามเหตุตามผล เดินมาวัดป่าเดินไปทางปรายนบ้านไปีอาจารย์ะจ ong วัดประจ o n ว่าเดี๋ยวฉลองอันั้นฉลองอันนี้ตลอดจะลเกิดวันเกไปกันะเนื่องจากคืออาจารย์อยู่นั้นจะไม่ยากให้ไม่ใช่เขาจะมาร่วงเกิดทำไอ้ยานก็ทำไหนนั้นก็ทาก็ไได้าน มีสิทธิจะห้หามแต่นี่ <c oughs> นห้ามกันในไต่ตังไหญ่สว่างใจโยงเช่นตีเย็บหนึ่งนัดหรือบาดเจ็บเจ้าใจรู้ขอใจเนี่ยอะไรท้วก็ควรจะเป็นผู้นำของเขงาเป็นทา่ถูกต้อง ยิ่งกันอย่าอย่างนัมามา้นงังนั้นอันนี้ถือเป็ น, นปฏิบัติธรรมระยะในพรรษาไม่มีธุระงานี่ยโยงเกี่ยวก็ทาได้สะดวกสบายแต่นอกพรรษาไปเราก็เป็นพระของโลก <c oughs> เขาน i ệ มนต์จริงๆควรจะไปก็ต้องไปให้เขา นิมนต์เราจะไปเดินรงสมภาวานาะหลับตาืูภายในนั่นก็ยากเพราะกูคนมันมากเสียงมันรบกวนฉะนั้นโอกาสเวลา <c oughs> ในปันษาการปฏริบัติจึงเป็นเรื่องสะดวกยิ่งฝ่านอกปันษาี่หมายถึงพระ นอกพรรษาหรือในพรรษาความจริงที่เลสจัหามันก่อตัวเก่าแต่ความสะดวกสบายในการการทำบาเพ็ญนั้นมันไม่เหมือนกันแต่พอปลดปลีกตีตัวไปหาเฤกย์ได้เพราะในพรรษาจำกัดที่อยู่ถ้ า, าที่อยู่ไม่เหมาะสมผู้คนเพ่งพลานมาทําบุญเจิมทาน เกียข้องกับคืออาจารย์ะวัดิ์สวายีเลื่อยมันก็ลำบากในการปฏิบัติด่านจิดด่านใจจริงจังแต่โดยส่วนใหญ่เกเขาทือกันรวมใส่ศรัทธาถ้ามีคนมากราบมาไหว้นาทำบุญคุณทานมาก็ถือว่า มีหน้ามีตาเป็นืีนดีวิเศษถือกันแบบนั้นโลกมันยอมชมชอบกันแบบนั้นใครื่นไหคนมาเกี่ยวข้องทำบุญสุนทานอะไรอยู่ไปแบบเงียบๆก็ถือว่าคนนั้นอาภาัพอับปาสนหาในลากสักกระอะไรมีม่ัม ความเห็นของโลกแต่เรื่องของอดของธรรมจริงจังพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญส <c oughs> รรเสริญวิเวกคือความสงบเป็นข้อใหญ่วิเวโกสุขโขวิเวกเป็นสุขจะเป็นกายวิเวก จิตวิเวกอุปทิวเวกพระพุทธเจ้าทรงสัญลักษิ์คือความอยู่สงบของกายของจิตของกิเลเสแต่พวกเราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นในเรื่องวิเวกจิตในสมมตของโลกตาได้เห็นหูได้ฟัง จะูกดได้ดิ่มดิ่มในรถกลายเด็สัมผัสถือว่าดิบว่าดีพอโลกนี้ยอมทนชอบกันมาแบบนั้นพะที่มีอัจมีธรรมมุ่ง ม, มั่นในการภาภประฏิบัติฤละถอนกิเลสหมดออกจากจิตจากใจของท่านจริงจัง ท่านไม่ต้องการอะไรไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกายได้รืออยากเดินจงกรมภาวนาอยากพักผ่อนจำวัดตอนใดก็ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงอยากพิจารณาอัตธรรมอะไรก็มีโอกาสเวลาในนี้ธุระนาชี ไม่มีคนอื่นมปรึกษาเกี่ยวข้องทันสะดวกของท่านทันสบายของท่านเย่ท่านรีเร่ทางกายทางจิตท่านจึงอยู่สะดวกของท่านสบายของท่นานความอยากของท่านในลาภสกสาระไม่มีในวาระจิตของท่าน เวลาปฏิบัติปฏิบัติทางอาจัจทางทำต้องมุ่งเรื่องรีเรกเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากหยุ่นเย่อข้องอยากจใจผูกคนสนใจในตัวข้องตัวแต่ตัวข้องตัวไม่ได้สนใจในตัวข้องตัวอยากจะให้เข้ามากราบมาไหว้ ทำบุญซึ้นทานต่างๆความอยากความคิดแบบนั้นมันเป็นข้าศึก ต, ต่อการรีเร่ของจิตคนแบบนั้นจะไปอยู่ในที่สงบสงบัดปฏิบัติเพื่อละถอนกิเลสยากพอไปอยู่ในป่าในนี้ถูมาขุดจาปลาใสไมนมีใครมายิ่งเกี่ยวจิตใจก่อ รู้สึกไม่สะดวกสบายให้เพรใจมันมุ่งเรื่องโลกมันไม่มุ่งเรื่องธรรมถ้าใจมุ่งเรื่องธรรมอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเป็นที่เหมาะสมเป็นที่ดี ด, ดีเป็นที่พอใจของผู่ปฏิบัติปฏิบัติอย่างยิ่งวันเวลาที่ผ่านไปเป็นของท้องตัวตลอด ไม่ได้เป็นของของคนอื่นความคิดความปรุงในจิตในใจก็ปรุงภายในปุงธรรมะเพื่อจะละจะถอนกิเลสตัณหาในปุงไปเพื่อลาภสกสาระปุงไปหาสัดหาบุคคลขังหนอะนี่คือสุจริตท่านมีอัตมีธรรมท่านดูได้ท่านสะดวกสบาย คุที่มุ่งมั่นในอาจในทมจริงจังอย่างนั้นถึงหลางกายของท่านจะเป็นทุกข์เพราะความขาดแคนผ่านุ่งผ่าห่มหรือเอาหานการบริภโภคท่านนียจะถือเป็นจิตสำคัญถือสำคัญในการปฏริบัติ กรเพือปฏิบัติสะดวกสบายจิตใจมันใส่คิดในเรื่องอะไรทนทุกการทุกสมัยที่ารณนาอะไรก็เข้าใจชัดเจนเห็ น, นประจักษ์จึ ง, งจิตเคยสงสัยของใจมาก่อนที่ารนามันก็ถอดก็ถอน กหลุดก็ละออกไปท่านเลยถือธรรมะของใจนั้นเป็นโอหารเป็นอาหารที่โอชายิ่งกว่าอาหารของกายท่านจึงอยู่ได้ความริงลำบากลำคาญทหาสืบทึงด่านของโลกคนที่ไม่มีอัดมีธรรมในจิตในใจอยู่ไม่ได้เห็นแล้วสลบทั้งเวทใจ ทำไมฉันขึ้นมาอยู่ในป่าสี่พักสียอาศัยกับคนไม้หรือถ้ำเขาเสื่อนอนหมอนหมุอนอะไรบางทีก็ไม่มีอาหารการปวกฉันบางวันก็ได้แค่ข้าวพาปากบางวันก็มีน้ำพริกนิดหน่อยเท่านั้นจะได้พวกฉันสะดวกสบายอย่างอยู่ในวัดในว่า อยู่ในเมืองในนานั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนในป่ากว่ า, าทราบดีอยู่แล้วว่าเขาอดจนเขามีอะไรเขาก็ให้ไปตามกำลังศรัทธาของเขาบางทีก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ข้าวบางทีข้าวที่ไปวินถ้าบาักก็ไม่พอฉันแต่ท่านก็อยู่ด้วยอำนาจการประพฤติปฏิบัติมันสะดวกสบาย มีอาหารคิดคืออาหารธรรมในจิตในใจของท่านท่านสอนท่านเอาแล้วก่อนที่ท่านจะไปหรือท่านไปถึงจะอดอยากทุกจยหากอะไรก็วยเรื่องเราสมัครใจมาเองไม่มีใครนิมนต์เชิญเรามาจะไปพึ่งพาอาศัยอะไรกับคนอื่นเขาเราก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เขาเพราะเขาจะมาสนับสนุนเรา เรามานี่เรามาดูความชอบใจในนี้๋ยมีใครเชิอเชิญนี่มนบังคับบัญชามันอดอยากขัดแคนอะไรนั้นก็เป็นเรื่องวาสนาของตัวเองเราจึงไหนไปสนใจเกี่ยวข้องเราเคยอยู่ในที่สนุกสนานในอดอยากยากจนทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูล เราเคยอยู่มาแล้วเรื่งจิตใจของเราเป็นอย่างไรเห็นภายในวัดตาสงสารประหัตประหารเครียดสรหาได้ไหมเราก็ทราบว่าจิตใจของเรานั้นมันไม่มีอะไรที่น่าเลื่อมใส่ศรัทธาอิ่มอื่มก็ได้จ้าเพียงอิ่มเท่านั้นอยู่สะดวกสบายก็เพียงสบายแต่กายเท่านั้นแต่จิตใจ ไม่มีอะไรแปลกปะลาดไม่มีอะไรอัศจรรย์เมื่อไปอยู่ในที่อย่างนั้นเขาไม่เกี่ยวข้องลาบสการะอะไรไม่มีเข่าของไม่มีก็ถือว่าดีเขาช่วยกำจัดกิเลสให้ถ้ามีมากเราอดไม่ได้อยากเมื่อไรอยากอะไรก็าทานไปนี่มันไม่มี มันก็เลยสบายไปอย่างหาใจของเราหักห้ามตัวของเราเองฉลาดเนี่ยสอนตัวของตัวเองมันสะดวกมันสบายไม่มีอะไรต่ไม่ี้นะกสิรับผิดชอบไม่มีภาระดูแลรักษาโอกาสที่จะภาวนาดูจิต ด, ดูใจของตัว มันมีมากเคลือนอยู่ในอัตในธรรมพิจารณาธรรมะวันนั้นเป็นอย่างนั้นมันมนี้เป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์โลกซึงมันเคยมาเออยอะยุเกาะเชี่ยวต่างๆจบไปหล่นไปหมดไปเพราะตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติการพักผ่อนหลับนอน ตัวน้อยลงไปเพราะอาหารเนเดทับธาตันธ์ขันไโดยปฏิบัติสะดวกสบายของท่านอยู่โดยอัดโดยธรรมคืออาจารย์กว่าดีพระพุทธเจ้ากว่าดีที่เคยประเพฤตปฏิบัติธรรมะทราบธรรมะเข้าใจธรรมะละกิเลสปัญหาได้โดยส่วนใหญ่ได้มาจากสถานที่ กันดารสถานที่อดอยากลำบากอย่างนั้นในใช่ได้มาในสถานที่สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกหมดตลอดทุงสู่คนหน้าเกี่ยวข้องตังวล็นในวัในวาภาวนาหยิ่งหยุดยิ่งยืยิ่ยยสงสว่างใส จิตใจยิงละถอนจีเรียดเดน้าไม่เคยเป็นแบบนั้นคืออาจารย์แต่ละท่านได้มาแบบหลอกตายได้มาจากสถานที่อดอยากขาดแคลนตันดางทางนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ได้ในแจะป๊อปได้ในหล่มไม้ได้ในถ้ำ เพราะถานที่อย่างนั้นภายนอกมันสงบหมกโดยมีเสียงจี่เป็นทิพยเป็นไทยนารบกวนใจของตัวหรือมีเสียงจะมีเสียงสัตว์ป่าซึ่งในศาสรภาษีภาษาอะไรกันอยู่เป็นเสียงสวกช้าพวกเสือสัตว์ร้ายต่าง ใจก็ยิง v o si ng ng ên, si si k คิดเขาไปหาธรรมถ้าเป็นเสียงธรรมดามันก็เหมือนมาเยอะยืดยื่นปัญหาให้เสือเชิเหลงไหลเพราะถือว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงสัตว์เสียงที่สาคัญในการปฏิบัติอาจทำกว่าเป็เสียงคนเสียงคนเรายินแล้วมันต่าภาษาของกัน พูดไปในแง่ย่ีืดปัญหาแง่เยาว์ยุคจิตใจให้ฟูซิดติดข้องในด้านของวัตถุของโลกมันก็ไปยึดไปเกี่ยวเอาถ้าเขาตำหนิวินทาไม่ดีม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้มันก็โกรธขึ้นมีสัตว์ป่าซึ่งในศาสาร์ภาษา มันไม่ได้คิดไปทำนองนั้นมันล้องขึ้นก็ตัดหนอเท่า น, นั้นถ้าเป็นเสียงถือเป็นข่าสุดประตูอย่าเสียงตัดร้ายช้าเสือเป็นต้นมันก็มาอะไรนะข่าสุดประตู๋ยวมันจะมาจับมาฆ่า